เราสวดเป็นพระคาถาของพระพุทธเจ้าแต่เราสวดทุกบทที่ผ่านผ่านมามีความหมายทุกบทอย่างมะฮุ่งเวสรนณังยันติอัปปัตานิวณานิจจ์อันนี้ก็เกี่ยวกับให้พวกเราถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นชนะเป็นที่พึ่งไม่ถือภูผาป่าไม้เป็นชนะเป็นที่พึ่ง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 พอเห็นพระสิกสุทั้งสามสิบรูปเข้าไปก็มีความยินดีอยากจะให้พระท่านไปบําเพ็ญอยู่ในป่านั่นน่ะพอพระท่านก็บเขาไปบเพ็ญอยู่ในป่าคิดว่าวันพุ่งนี้ท่านคงจะออกไปกับมั่งท่านพักมาหลายวันแล้วอวันมะลืนนี้ท่านจะออกไปมั่งภพภูมิทั้งหลายคือไม่อยากจะให้ท่านอยู่พรท่านอยู่เข้าไปท่านเป็นผู้มีศีล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 พระเวลาท่านไปภาวนาอยู่ในปา่ากลางวันก็ดีกลางถืนก็ดีก็มีของแ ป, แปลกๆให้เห็นเช่นว่าเห็นคนหัวด้วนบักหัวขาดฟังลักษณะเนี่ยทําให้ภาคสื่อเหล่านั้นตกใจกลัวก็เลยคันคนนั้นก็เห็นองค์นี้ก็เห็นแล้วก็เลยปรึกษากันโองพวกเราคงอยู่ไม่ได้ทําไมแป ล, แปลกๆอย่างนี้ก็เลยพาทันออกจากป่านั้นไป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 ว่าสังฆโสภาความพร้อมเพียงของสงฆ์ทำให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปได้เหมือนกับนายมาลาการ์ทำอ่างนั้นนะเอาดอกไม้หลากสีสีแดงสีเหลืองสีอะไรหลายๆลายสีเอามาร้อยเข้าวงมาลายดูแล้วก็สวยงามอันนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์มาจากจากรยตรฐิสมาจากสกุลต่างๆมาอยู่ร่วมกันแต่ยื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 อยู่ท้ายของวัดป่าเชตะวั น, นตอนเดืกดตกลางคืนคือคงจะนอนไม่หลับนั่นนะเกเลยมาลุกมาเออถามเป็นไงจะถามวาได้ยินว่าพระเจ้าประเสริฐไปลบกับหลานชายไม่ชนะ น, า, นาว่างั้นนะสองค้าไอ้จารบุรุษคือตำรวจแ้ก่ก็กดดักฟังเป็นไงโอ้ถาว่าพระเจ้าประเสริฐวางแผนดีๆนะผมว่าชนะได้เงีงาาอง้องหนึ่งก็ถามมาทายังไงองค์หนึ่งกับ บรรยายเลยเป็นบอกว่าคือระหว่างแฟนกาสีกับเมืองโกศนกับราชสเคือเน่ยมันมีภูเขาอยู่อในช่องนั้นพอพระเจ้าชาตรูคิดว่าจะไปลบแล้วก็วางทหารไว้ในแนวช่องเขาเนี่ยนะไว้ทั้งสองข้างซุ่มเอาไวนะ้เหมือนแล้วก็เอาทหารหมูหนึ่งไปลอบลบกับพระเจ้าชาตรูพระเจ้าเศรษฐูก็ไตก่กรนา ม, มาทีนี้ก็ถอยถอยถอยถอยเหมือ น, นพอผ่านเข้ามาในช่องเขาแล้วก็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 พอยกไปเป็นหัวหน้ากันวางแผนนะส่าวางแผนขุดหลุมลงไปให้เหมือนกับกระดนี้มให้มันก่นแหลมลงไปข้างล่างแล้วก็ทําเป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งเหมือนกันนะจากนั้นมาก็วางแนวหมูที่มีเขี้ยวยาวเอาไว้รอบนอกหมูที่มีอกําลังน้อยจะอยู่ข้างในพอได้เวลาเสือมก็ออกมาหากินนะท่าน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 เป็นโลกดึงดูดไม่ได้มันก็ดึงดูดไมนได้ถ้าว่าไปตำตๆโลกมันดึงดูดได้เนีราคาโศมะโมหามันดึงดูดลงมาไปหมดนัเนี่ะเดี๋ยวนี้พระของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าหน้าวิตกเหมือนกันเน่ะมันก็โพงย่างที่พระพุทธเจ้าทํานายเอาไว้นั่นแหะต่อไปห้าพันปีพระจะเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ท่านก็ทํานายไว้กันหน้าฟังเหมือนกันสรุปแล้วก็คือรวยแหลมรงไปเรื่อยๆเมือ่อโพงยัง